สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนกักทหารคนชอบเล่าวันนี้จะนำเรื่องราวของท่านสมาชิกท่านหนึ่งที่ได้การุณาแชร์ให้ผมมาเล่าต่อเกี่ยวกับเรื่องของทวดของเขาซึ่งเป็นปู่ของคุณยายของเขาที่มีนามว่าพ่อใหญ่เฮืองนั่นคือนามของทวดคุณธนพลขันเขตผู้ที่มีน้ำใจแชร์เรื่องราวเป็นเรื่องราวตอนหนึ่งของพ่อใหญ่เฮืองในช่วงอายุประมาณ30ปีกว่า ซึ่งก็น่าจะย้อนวันเวลาไปถึงปีพุทธศักราช 2,400 กว่าเช่นกันคุณยายได้เล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นพ่อใหญ่เฮืองเป็นชายหนุ่มที่รูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงมีอาชีพเป็นพรานคือผู้ที่ดำเนิการเลี้ยงชีพด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์เหตุที่มีอาชีพเป็นพรานนั้นด้วยเพราะว่าในวันเวลานักขณะนั้นป่าในประเทศไทยยังอุดมสมบูรณ์มากสัตว์ป่าก็มีมากและการล่าสัตว์นั้นก็ยังไม่ผิดกฎหมาย พ่อใหญ่เฮืองนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่มีวิชาอาคมติดตัวอยู่พอดูซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นของพรานในสมัยนั้นเพราะว่าเมื่อเข้าป่าไปใช่ว่าจะได้เจอแค่สัตว์แต่สิ่งเร้นลับลึกลับก็ยังมีอีกมากมายไหนจะทั้งผีป่าเสือสมิงหรืออาจจะเป็นผู้ที่ไม่หวังดีและป่าที่พ่อใหญ่เฮืองใช้เป็นแหล่งทำมาหากินอยู่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นป่าที่ดุไม่น้อยไปกว่าป่าใดในประเทศไทยด้วยเป็นป่าที่ติดชายแดนเขมรคือบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก อำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งพื้นที่นี้ถือว่ามีการขึ้นชื่อหรือชาเรื่องของคุณไสยมนต์ดำต่างๆผู้ที่เล่นแร่แปรธาตุเล่นของปล่อยของยังมีเยอะอยู่มากในสมัยนั้นและด้วยพื้นที่ของป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์กับสัตว์ป่าที่มากมายจึงไม่แปลกเลยที่พ่อใหญ่เฮือนจะยึดอาชีพเป็นพรานการเข้าป่าล่าสัตว์ส่วนใหญ่ของพ่อใหญ่เฮือนนั้นมักจะเข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์ในเวลากลางคืนและไปคนเดียว ด้วยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าพืวงหลังไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตของใครนอกจากของตนเองซึ่งแต่ละครั้งที่เข้าป่าก็จะได้สัตว์กลับมาจุ่เจอครอบครัวเป็นประจำแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พ่อใหญ่เฮืองต้องเข้าป่าไปลึกกว่าปกติด้วยหวังว่าจะได้สัตว์ใหญ่อย่างกระทิงกวางและเก้งซึ่งคิดว่าน่าจะมีชุกชุมในป่าลึกนั้นจึงได้บอกกับครอบครัวว่าจะเข้าไปในป่าลึกหน่อยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องส่งคนไปตาม หากมีเรื่องอะไรด่วนก็ให้รอจนเช้าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วค่อยคุยกันที่ต้องสั่งเช่นนั้นด้วยเพราะว่าไม่อาจจะมั่นใจได้เลยว่าคนที่เห็นไปตามนั้นจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเสือสมิงผีป่าจำแรงมาสิ่งกับการเกิดอันตรายอาจจะโดนยิงเอาได้การเข้าป่าลึกวันนั้นพ่อใหญ่เฮืองพกไปแค่ปืนแก๊ปกับมีดเดบเอลประจำกายรีบออกเดินทางไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงเพื่อจะได้ไปมองหาทำเลหาคาคบไม้ที่พอจะได้ขัดห้างขึ้นไปนั่งได้บ้าง เพื่อให้ได้จุดที่ดีที่สุดและหลบสายตาคุณสัตว์ให้ได้มากที่สุดอากาศวันนั้นระหว่างที่เดินทางเข้าป่าก็ถือว่าไม่ร้อนเกินไปกําลังดีต้นไม้ที่หนาทึบและรกชัดนั้นให้อากาศอันบริสุทธิ์แต่ก็ดูวังเวงอย่างน่ากลัวในบางครั้งเสียงร้องของนกป่ามีร้องเลยงมมาให้ได้ยินได้เรื่อยๆระหว่างที่เดินไปก็หวังในใจว่าวันนี้ยังไงก็ต้องไม่พลาดกับสัตว์ใหญ่แม่เก่งก็กวางตัวงามๆสักตัวนี่แหละ เสียงของไก่ป่าที่ร้องมาให้ได้ยินก็ยืนยันได้ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างแหละยิ่งเข้าป่าไปลึกเรื่อยๆอากาศก็ยิ่งเย็นโดยพระแสงแดดนั้นโดนบดบังจากต้นไม้ที่รกทึบแต่และต้นใหญ่ๆสูงๆสัมผัสได้ถึงความเย็นะเยือกที่มีอยู่รอบตัวกลิ่นหอมจางๆที่ลอยมาตามลมของดอกไม้ป่าทําให้อาการเหนื่อยไม่ค่อยมีมากแต่ก็จําเป็นที่จะต้องรีบจ้ำก้าวเดินเพื่อหาทําเลที่เหมาะแก่การนั่งขัดห้างวันนั้นเดินบุกป่าเข้าไปลึกจนรู้สึกได้ว่าน่องมันปวด ดวงตะวันก็คล้อยบ่ายต่ำลงมาเรื่อยๆแต่ในที่สุดก็ไปถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งเห็นรอยทางด่านของสัตว์ลงมาบริเวณนี้มากมายมีทั้งรอยกวางรอยเก้งรอยกระทิงแม้แต่รอยของเสือซึ่งก็คือพื้นที่ของโป่งๆหนึ่งนั่นเองในป่านั้นจากรอยเท้าของสัตว์ทําให้พ่อใหญ่บุญเฮืองมั่นใจได้ว่าตรงนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วจากนั้นก็มองซ้ายมองขวาหาทําเลหาต้นไม้ว่าคาคบของต้นใดเหมาะสมแก่การขึ้นไปขัดห้าง เมื่อหาต้นไม้ได้ตามที่ต้องการแล้วจากนั้นจึงเดินออกไปนอกบริเวณนั้นให้ไกลสักหน่อยเพื่อไปหาวัตถุดิบมาเพื่อทำห้างโดยที่ไม่ลืมกระบอกไม้ไผ่สำหรับใช้ในยามจำเป็นเวลาปวดเบาเพราะการนั่งห้างนั้นต้องอาศัยความอดทนส่งเสียงก็ไม่ได้ทำกลิ่นแปลกๆก็ไม่ได้ในจะทั้งยุงทั้งอากาศที่เหน็บหนาวในยามค่าคืนส่วนที่ว่าจะต้องออกไปหาอุปกรณ์ให้ไกลาจากจุดที่จะตั้งห้างนั้นก็เพราะว่า หาพวกสัตว์ไม่เห็นการที่ผิดปกติของถิ่นที่มันเคยมาต้นไม้หักแม้แต่ต้นหนึ่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วที่จะเป็นเหตุให้มันไม่ลงมาที่ตรงนั้นและวันนั้นห้างก็เสร็จทันดรวันตกดินพอดีหลังจากที่กินอาหารที่ห่อไปเรียบร้อยหาแหล่งน้ําล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่จะต้องขึ้นไปนั่งเฝ้าบนห้างเวลานั่งห้างนี่แหละเป็นบทพิสูจน์ความอดทนของพรานทุกคนต้องนิ่งและเงียบรอคอยอย่างเดียว จากช่วงหัวค่าที่ยิงพอมีเสียงแจ ก, กระจันเรย์ไรกบเขียดพอให้ฟังได้เพลินเมื่อความมืดเข้ามาปกคลุมอย่างเต็มที่บรรยากาศทั้งป่าก็จะดูเปลี่ยนไปจากที่เคยดูว่าร่มรื่นมันก็จะมืดไปหมดแต่ก็ไม่มืดสัทีเดียวด้วยเพราะว่ายังมีแสงของพระจันทร์ส่องนวลตาพอทําให้มองเห็นอะไรได้บ้างคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นทุกขณะที่เวลานั้นดึกไปเรื่อยๆเพ่อใหญ่เฮืองตอนนั้นได้แต่อดทนรอ ปืนแก๊ปก็อยู่ในระยะที่พอจะหยิบฉวยมาทํางานได้ทันทีนั่งรอไปฟังเสียงจั ก, กะจั่นเรไรนกระวังไพรนานมากแล้วก็ยังไม่เห็นสัตว์ตัวใดลงมาที่จุดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรยังเหลือเวลาอีกนานที่พวกมันจะลงมากันแต่ระหว่างที่รอไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเวลานั้นเดึกมากแล้วจูๆ่ๆเสียงทุกอย่างก็เงียบลงเหมือนเครื่องเสียงที่ดับไฟพ่อใหญ่เฮืองรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ก็ทําใจเย็นไว้ตั้งสมาธิมองดู ร, รอบกาย ป่าทั้งป่าเงียบมืดไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวแต่กลับมีความรู้สึกเย็นวับวของบรรยากาศรอบตัวเข้ามาแทนใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวคือสติต้องอยู่กับตัวไม่เวอหลังพิงต้นไม้บนห้างมือจับไว้ที่ปืนเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆทุกอย่างยังคงเงียบเหมือนว่าโลกทั้งโลกนี้มีแกอยู่คนเดียวเสียงของลมที่พัดใบไม้ก็ไม่มีให้ได้ยินแม้แต่เสียงนกก็ไม่มีให้ได้ยินได้ยินแต่เสียงลมหายใจของตัวเองกับเสียงหัวใจที่เต้นของตัวเอง หรือน้ำลายก็ยังมีเสียงขนก็ลุกทั่วแขนเพราะอากาศมันเย็นหรืออะไรไม่ทราบได้ระหว่างที่ใช้จิตรับรู้ความรู้สึกของตอนเองอยู่นั่นเองและตอนนั้นเองเสียงหนึ่งก็เกิดขึ้นเสียงนั้นคือเสียงของอะไรสักอย่างที่กําลังเดินมาบริเวณที่แกนั่งห้างอยู่ตรงเข้ามาเรื่อยๆตรงเข้ามาเรื่อยๆและเมื่อผลจากพุ่มไม้หนึ่งออกมาในระยะที่สายตามองเห็นปรากฏว่าเจ้าของเสียงฝีเท้าที่เดินมาหาแกนั้นคือกวางฝูงหนึ่งแกยิ้มที่มุมปาก จากนั้นก็คว้าปืนแก๊ปคู่มือขึ้นมาประทับบ่าวาดปลายกระบอกปืนไปยังเป้าหมายด้วยระยะสายตาที่แกเห็นนั้นไม่มีทางพลาดได้เลยคิดในใจไม่เสียเที่ยวที่มานั่งห้างตัวมันใหญ่ดีเหลือเกินเมื่อล็อกเป้าหมายได้ระหว่างที่สอดนิ้วเข้ากรงไกนั้นเตรียมจะผด็จศึกก็มีเสีย ง, งดังขึ้นว่าเฮ้ย hey, ทําอะไรนะี่ยสะดุ้งและขนลุกไม่ได้ยินเสียงหันหน้าไปมองตามที่มาของเสียงปรากฏว่าเจ้าของเสียงคือคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 ้าคน แต่งกายแบบชาวบ้านธรรมดาแล้วก็ตะโกนซ้ําขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยห้ามยิงสัตว์พวกนี้กูเลี้ยงไว้กูไม่ให้ยิงจากความรู้สึก ร, บรอบๆข้างกับน้ำเสียงที่กังวาลเย็นนั้นพ่อใหญ่เฮืองรู้ได้ในทันทีว่านี่ไม่ใช่คนแต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะตัวแกเองก็มีวิชาติด ต, ตัวมาไม่น้อยก็เลยลองพูดกับพวกนั้นไปว่าขอในหน้าสักตัวสองตัวไม่ได้เหรอและหนึ่งในสี่ห้าคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้มึงนี่มันยังไงกูบอกไปแล้วว่าไม่ให้ ระหว่างผู้ชายร่างดำนั้นก็ชี้มือขึ้นไปหาแกแล้วก็บอกว่ามึงลงมาจากห้างเดี๋ยวนี้นะบางอาจจะไยิงสัตว์ของกูเสียงนั้นกังวานเย็นและน่ากลัวมากแต่พ่อใหญ่เฮืองก็ตอบกลับไปว่ากูไม่ลงสิ้นสุดคํานั้นชายร่างดำนั้นก็เดินมาที่ใต้ต้นไม้ด้วยความไม่พอใจเมื่อมาถึงใต้ห้างก็แงนหน้าขึ้นมามองด้วยสายตาที่เป็นสีแดงถ้ามึงไม่ลงมากูจะเอาไม้แย่ให้มึงตกลงมานี่แหละพ่อใหญ่เฮืองได้ยินก็รู้สึกตกใจเหมือนกันแต่ก็ทําใจดีสู้เสือไว้ แล้วก็ตอบไปว่าถ้ามึงทําได้มึงก็ลองดูพูดจบแกก็ไล่คาถาที่ติดตัวมาของแกแล้วก็เป่าลงไปที่ชายคนนั้นแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นชายร่างดําที่อยู่ข้างล่างนั้นก็ได้แต่แงนหน้ามองครู่ใหญ่ผ่านไปกลุ่มชายข้างล่างนั้นเหมือนจะรู้ว่าไม่สามารถจะทําอะไรผู้ที่นั่งอยู่บนห้างได้จึงตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยข้างบนน่ะมีบุหรี่หรือเปล่ากูขอบุหรี่สูบหน่อยแล้วกูจะไปเพราใหญ่เฮืองก็ตอบว่าได้มึงอ้าปากก่อนสิแล้วกูจะเอาบุหรี่ให้สูบ ชายร่างดําที่อยู่ข้างล่างได้ยินก็อ้าปากออกโดยยังคงแหงนหน้ามองขึ้นมาข้างบุญเท่านั้นเองพ่อใหญ่เฮืองก็เอาปากกระบอกปืนชี้ลงไปที่ปากของชายที่ยืนอยู่ข้างล่างและแหงนหน้ามองมื่อตรงกับปากแล้วก็เหนี่ยวไกทันทีปังสิ้นเสียงปืนก็เหลือแต่ควันจากดินประสิวปรากฏว่าชายร่างดําคนนั้นยืนเฉยเฉยและยิ้มแล้วก็พ่นควันออกมาจากปากพร้อมกับหูเราะดังลั่นจากนั้นก็หันหลังกลับไปที่กลุ่มของตนเองแล้วก็เดินนําหน้าพักพวกที่มาด้วยกันผ่านไป และลับหายไปในความมืดหลังจากนั้นก็มีเสียงนกเสียงทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนว่าไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้วแต่สิ่งที่รู้คือคืนนี้อาจจะไม่ได้อะไรกลับไปด้วยเพราะเสียงปืนที่ยิงออกไปเมื่อกี้บุคคลเหล่านั้นน่าจะเป็นผีป่าเจ้าเขาอาจจะเพราะว่าพ่อใหญ่เฮืองไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตเขาก่อนสัตว์ในบ้านยังมีเจ้าของสัตว์ในป่าก็ต้องมีเจ้าของเหมือนกันเมื่อรุ่งอรุณตอนเช้าสายส่องมาถึง พ่อใหญ่เฮืองก็เดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านก็เล่าให้ลูกให้เมียฟังจึงเป็นที่มาของเรื่องที่ผมได้นามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังวันนี้ขอขอบคุณคุณธนพลขันเขตผู้แชร์ประสบการณ์ที่ได้รับฟังมาจากคุณยายนะครับท่านสมาชิกท่านใดที่มีประสบการณ์พิเศษอยากจะให้ผมมาเล่าก็ฝากเรื่องไว้ได้นะครับที่อีเมลของผมใต้คลิปครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ